ความในพระสุตันตปิฎกคุตกะเนกาคุตกะปาทะข อ, อนอบน้อมแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคอะรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ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 นี่เป็นสารนคมเยนะเป็นการถึงสาระในคำพีคุธกะปาะทะทีนี้ถ้าหากว่าจะมีคาถามว่าพ่าเหตุไในคำพีคุธกะปาทะเนี่ยนะจึงยกถึงไตสรสารนคมเนี่ยขึ้นเป็นข้อแรกเป็นข้อต้นเลยเพราะว่าการถึงไตสรสารนคมเนี่ยเป็นทางเข้าสู่พระศาสนา เพราะเหตุที่เทวดาและมนุษย์พาการเข้าสู่พระศาสนาด้วยเป็นอุบาสกบ้างเป็นอุบาสิกาบ้างเป็นบัณชิตบ้างด้วยทางนี้นี่นะเรียกว่าการถึงไตรสนธคมเนี่ยนะนับว่ามีความสําคัญสมัยพุทธกาลเลยสมัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม่ๆ่พระองค์ในทรงแสดงธรรมโปรดพระอัญญาโกณทัญญพร้อมกับ ชดินพร้อมกับปัญจวัคคีย์ที่เหลือเนี่ยนะไดบรรลุมรดผลออกพรรษาแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้พยัสกุลบุตรและสหายได้ฟังธทำกันหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งส่งภาษาวกเหล่านี้ไปประกาศศาสนาเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะถ้าจะมาบวชจะพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงยากพระองค์ก็เลยอนุญาต ก, การบวชพระภิกษุเนี่ยนะ ตอนนั้นด้วยการถึงไตสรสนธิคมแทนให้ครูลบุตรเนี่ยนะปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสายะเป็นต้นแล้วก็ประคองอัญเชลีเนี่ยนะคุกเข่าประคองอัญเชลีแล้วก็แปลงวาจาขอถึงไตสรสนธิคมแล้วก็อาจารย์หรืออุปชาก็ให้สนธิคมไปนี่เป็นวิธีการบวชพระพิสุในสมัยเรยกเลยเนี่ยนะหลังจากนั้น พระองค์ก็อนุญาตวิธีอุปสมบูตรวิธีบวชอันนี้ไปเป็นสั ม, มเนธแทนนะเลื่อนไปให้บวชสัมมเนธแทนการถึงพุทธังสารนังฆาชามิธรรมังสรนังฆาชามิสังคังสารนังคฆ า, าเนี่ยทุกวันนี้ถือว่าเป็นวิธีการบวชสัมมาเนธ น, นะแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ถึงไตราสารณาคมก็ด้วยการเปล่งวาจาว่าพุทธังสารนังคฆาชามิเป็นต้นเหมือนกัน ลักษณะของการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะคำว่าสารณะนี่โดยศัพท์เนี่ยแปลว่าเบียดเบียนนะถ้าจะประมวลก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือว่าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นสารณะของข้าพเจ้าพูดแบบนี้ก็ได้นะแปลแบบว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นสารณะของข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นปรายณะคือนำหน้าของข้าพเจ้าว่างั้นให้พระพุทธเจ้านำหน้าหรือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้กําจัดทุกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ท่งอย่างประโยชน์หรือว่าข้าพเจ้าถึงคบเศพนั่งใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่ลักษณะที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะ ทีนี้ก็อธิบายคำว่าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าผู้ที่จะนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเลยเนี่ยนะเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่พึ่งจริงจริงก็ควรจะเข้าใจความหมายของคำว่าพุทธก่อนในคำนั้นเนี่ยนะคำว่าสัตว์พิเศษชื่อว่าพุทธคาว่าพุทธเลยนะพุทธทงังสรนังาคชามิเนี่ยนะก็จะขยายตามสั์ตามลำดับไปคำว่าพุทธนี่เป็นชื่อของสัตว์พิเศษ อ่ะนะซึ่งไม่เหมือนกับคนทั่ ว, วไปก็คือถ้าใช้คําว่าสัตว์นี่ให้บ่งบอกว่าเป็นพระขันธสันดานนั่นเองเนี่ยนะเป็นชื่อของขันห้าอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นขันห้าพิเศษที่บัญญัติว่าเป็นสัตว์สัตว์นี้เป็นสัตว์ที่พิเศษสัตว์ชั้นสูงว่า ง, งั้นเถอะเพราะบัญญัติอาศัยขันทสันดานที่ถูกอบรมด้วยการบรรลุอนุตรวิโมกเนี่ยนะนะนะคือบรรลุอรหัตตมรักเนี่ยนะนะซึ่งเป็นนิมิตแห่งพยาน อันอะไรอะไรขัดขวางไม่ได้หรือเพราะบัญญัติอาศัยการตรัสรู้เองยิ่งซึ่งสัจจะอันเป็นประทัฐานแห่งพระสัพพัญญุตยานเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นใดเป็นพระสยัมภูเป็นเองไม่มีอาจารย์ตรัสรู้ยิ่งพร้อมด้วยพระองค์เองซึ่งสัจจะทั้งหลายในธรรมะทั้งหลายที่ไม่ได้ทรงฟังมาก่อน ทรงบรร ล, ลุพระสัพพัญญุตยานในธรรมะเหล่านั้นและความเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาร ะ, ะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าพุทธะเนี่ยนะอันคําว่าพุทธะนั้นหมายถึงขันธสันดานที่ได้รับการอ บ, บรมด้วยอริยมรรคโนแหล้เนี่ยนะคือสัตว์ทั่วไปเนี่ยนะก็ก็เป็นสัตว์ล่ะแต่ว่าสัตว์ทั่วๆไปไม่ได้อ บ, บรมอริยมรรคอะไรเลยเนี่ยนะ หมายความว่าไม่ได้อบรมบารมีไม่ได้อบรมกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคโดยเฉพาะอรหัตตมรรคอันที่จริงแล้วสัตว์อื่นๆเขาก็อบรมเพื่ออริยมรรคเหมือนกันแต่อริยมรรคของสัตว์เราอื่นยังมากก็ปัจเจกโพธิญาณเนี่ยนะหรือถ้าบางท่านก็เป็นสาว ก, กโพธิญาณบางท่านก็เป็นมหาสาวกทั่วไปหรือบางท่านก็บรรลุษมรรคทั่วไป แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยขันธสันดานที่พระองค์ทรงอบรมเนี่ยนะจนอรหัตธรรม ข, ของพระองค์เกิดพออรหัตธรรม ข, ขจิตดับไปอรหัตผลเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะพระคุณทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระสัพพัญยุตยานอนาวรณญญาญทศพลยานยานทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะพุทธคุณทั้งสิ้นก็มาพร้อมกับอรหัตธรรมนั่นแหลพะพออรหัตมรรมเกิดขึ้นพระพุทธคุณทั้งหมดก็เข้ามาทันทีเลยเนี่ยนะ ทีนี้อรหัตธรมคืออะไรคือการตรัสรู้อริยสัจอัทนทนีตรัสรู้อริยสัจเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยที่ไม่มีผู้ใดบอกกล่าวเลยนะั่นแหละวันนี้ทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธถ้าขามีนิปติปทาพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอเมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจได้สัพพัญญุตญาณแล้วก็เชี่ยวชาญในพระญาณทั้งหลายลักษณะนี้แหละเรียกว่าพุท ธ, ธะอันนี้โดยความหมายนะ พอจะสรุปได้ว่าพุทธคือผู้ที่อ บ, บรมจนบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะแทงตลอดอริยศาสตร์ด้วยพระองค์เองแล้วก็บรรุสัพพัญญุตยานพอบรุษสัพพัญญุตยานก็เชี่ยวชาญในพระยานทั้งหลายเนี่ยนะเชี่ยวชาญในคุ ณ, ณธรรมอย่างอื่นอีกมหาศาลทีนี้ถ้าแปลคําว่าพุทธโดยพยัญชนะแหละเนี่ยนะพุโทโธพุทธโดยพยัญชนะว่า เชื <avoiding> quote, percent, like ่อว่า so, พ you know. ุทธานี้ถามว่าพร่ออาจว่าอะไรพร่ออาจว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายคําว่าพุทธานี้คือรู้อริยสัจเนี่ยนะเอาอริยสัจเป็นเกณฑ์จึงจะเชื่อว่าผู้รู้เนี่ยนะคราบคำว่าพุทธะซึ่งแปลว่าผู้รู้นี่หมายถึงว่าท่านรู้สัจจะทั้งหลายเชื่อว่าพุทธะเพราะทรงปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นเนี่ยนะชื่อว่าพุทธะเพราะทรงรู้ทุกอย่างว่างไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ทรงรู้ เชื่อว่าพุทธะเพราะทรงเห็นทุกอย่างเชื่อว่าพุทธะเพราะตรัสรู้เองไม่ใช่ผู้อื่นทําให้ตรัสรู้อันนะอริยศาสตร์ทั้งหลายที่พระองค์แทงตลอดเนี่ยนะอย่างอื่นที่พระองค์ทรงรู้ไม่มีใครไปบอกแนะนําพราะองค์เลยเชื่อว่าพุทธะเพราะบานแล้วคําว่าบานคือบานด้วยคุณนานาประการเนี่ยนะเหมือนดอกประทุมที่บานบานด้วยคุณธรรมทั้งหลายแหละ เชื่อว่าพุทธะนี่ก็เพราะนับกันว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่มีกิเลสอะไรเหลืออยู่เลยเนี่ยนะกิเลสทั้งหมดทั้งเส้นพระองค์คลายหมดละได้หมดเชื่อว่าพุทธะเพราะนับกันว่าเป็นผู้ไม่มีอุปกิเลสคำว่าอุปกิเลสก็คือเครื่องเศร้ามองอ น, นั่นนะเครื่องที่ทำให้เข้าไปเศร้ามองในจิตพระองค์นี้ไม่มีอีกแล้วเชื่อว่าพุทธะเพราะอัาว่าสิ้นราคะ สิ้นเชิงมืกัสิ้นโทะสะสิ้นเชิงสิ้นโมหะสิ้นเชิงไร้กิเลสสิ้นเชิงแล้วก็เชื่อว่าพุทธะพาะดําเนินในเอกยนัมมัตเอกยนัมมัต ก, ก็คือทางแห่งการตรัสรู้นั่นเองอันชื่อว่าพุทธะก็พอ่ออธิบาว่าตรัสรู้ยิ่งเองซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิลำพังพระองค์เองนั่นนะมักผลที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี่นะพระองค์ตรัสรู้ด้วยลำพังพระองค์เองนะไม่มีเพื่อนไม่มีคนบอกกล่าวแนะนําเลย และคำว่าผู้ทานี้เนี่ยนม่ใช่พรชชนีคือแม่ไม่ใช่พะชนกคือพ่อไม่ใช่เชษทภาดาคือพี่ชายไม่ใช่เชษทภาคินีคือพี่สาวเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่มิตรอมาตไม่ใช่พระยาสาโลหิตตั้งไม่ใช่สมณะพราหมณ์ตั้งไม่ใช่เทวดาตั้งไม่มีไม่มีใครมาตั้งเลยนะว่าเออคนนี้เชื่อว่าผู้ทานนะเพราะชื่อเพราะแต่งตั้งไม่ใช่ พนามนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีตอนท้ายแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสบัญญัติคือพุทธะทรงทําให้แจ้งพร้อมกับทรงได้บรรลุสัพพัญญุตยานอันคําว่าพุทธะในที่นี้สําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอพระ อ, องค์ได้บรรลุสัพพัญญุตยานปั๊บก็เช่อว่าพุทธะเลยโดยที่ไม่มีใครแต่งตั้งให้เพราะว่าเช่อตรงนี้เขาเรียกว่าเช่อที่ได้ตามคุณสมบัติมันั่นแท้ ตามคุณธรรมอ น, น ะ, อะผู้ที่มีคุณธรรมลักษณะนี้ชื่อว่าพุทธะอันนี้ก็ขยายคำว่าพุทธะเนี่ยซึ่งทั้งโดยอัฏะและโดยพยัญชนะคำว่าพุทธะอันนี้ก็ต้องศึกษาพุทธคุณให้กว้างขวาง เพราะฉะนั้นอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะเข้ามาหมดเลยเนี่ยนะอรหันตคุณสัมมาสามัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโรปุริสธรรมารสารติสัตถะเทวมนุษยานังพุทโภควาเนี่นะอันคําว่าพุโทโธตรงนี้เนี่ยนะถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนก็ต้องเอาคําว่าอารหังเป็นต้นเนี่ยนะในพุทธคุณในพุทธานุสตินิเทศเป็นต้นมาอธิบายอันนี้คําว่าพุทธังทีนี้ พุทธังสารนังฆาชามีนะก็ขยายคําว่าสารณะก่อนนะพุทธังสารนังสารนังผู้ธายไทยก็คือสารณะพระตนะตรัยนี่นะชื่อว่าสารณะนะคำว่าสารณะเพราะว่ากําจัดหรือเบียดเบียนนี่นะอธิบายว่าบีบทําลายนําออกดับภัยคือความกลัวความสะดุ้งทุกทุคติ ความเศร้าหมองด้วยการถึงสารณะนั่นแหละของคนทั้งหลายที่ถึงสารณะคมเนี่ยนะคนที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเนี่ย น, นะก็อาศัยพระรัตนตรายเนี่ยให้กำจัดกำจัดอะไรกำจัดความทุกข์หรือว่าบีบทำลายความทุกข์ทำลายนำออกดับภัยคือความกลัว นะโดยเฉพาะในทุกขติทั้งหลายเนี่ยนะภัยคือความเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกเป็นต้นเนี่ยนะพระตนะตรายนี่แหละจะกําจัดจะเป็นที่พึ่งจะช่วยเหลือให้ให้พ้นจากการปฏิสนธิในอบายทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งทุกทั้งหลายเป็นอเนกแม้กระทั่งทุกในวัฏฏะทั้งหมดเนี่ยนะก็อาศัยพระรัตนะตรายให้พระรัตนะตรายเนี่ยกำจัดนะภัยทั้งหลายเหล่านี้ไปลักษณะนี้ชื่อลักษณะของสารณะ อีกในหนึ่งนี่นะพระพุทธเจ้าชื่อว่าสารณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้ารชื่อว่าสารณะเพราะให้สัตว์ข้ามพ้นกันดารคือพบและให้ความโปร่งใจพระสงเชื่อว่าเป็นสารณะเพราะกระทาสการะแม้เล็กน้อยให้กลับได้ผลอันไพบุญ พระพุทธเจ้านั้นเป็นสารณะเนี่ยนะเพราะพรงค์เนี่ยกำจัดภัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันคําว่าภัยในที่นี้แปลว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นชื่อของความน่ากลัวเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งทั้งหลายที่น่ากลัวทั้งหมดเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้กําจัดความน่ากลัวเหล่านี้ทั้งหมดให้เราว่า ง, งั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังหันหันหน้าเราออกจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะอะไรบ้างที่ที่ไม่มีประโยชน์ที่พระองค์เนี่ยนะ เบนเราออกจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน e ์เหล่านั้นเช่นการฆ่าสัตว์เนี่ยนะนับว่ามีโทษนะนับว่าไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์ทั้งโลกนี้ไม่มีประโยชน์ทั้งโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเรามีพระองค์เป็นสารณะเป็นต้นปาณาติบาตที่พึงทาก็ไม่ทําเพราะว่าพระองค์เนี่ยเบนเราออกจากการผิดศีลจากการทุ่มศีลจากความชั่วทั้งร้ายแล่เนี่ยนะพระองค์เนี่ยกำจัดหรือว่านําสิ่งเหล่านั้นออกไปเนี่ยนะด้วยพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยนะ พระ อ, องค์บอกกล่าวทีนี้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นนะบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่ถ้าไม่ได้ถึงพระ อ, องค์เป็นสารณะเนี่ยนะบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเกิดมหาศาลแต่เนื่องจากมีพระ อ, องค์เป็นสารณะบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นก็เลยไม่ได้ทําเลยว่างั้น หรือกุศลธรรมทั้งหลายนี่นะไม่ว่าจะเป็นศรรีลสมถะวิปัสนาเป็นต้นเนี่นะกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรเข้าถึงเมื่อเราถึงพระองค์เป็นสารณะเนี่นะกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ได้เจริญเลยถ้าไม่ได้ถึงพระองค์เป็นสารณะนี่นะศีลกุศลสมถากุศลวิปัสนากุศลการฟังการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคํำสอนเป็นต้นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงชื่อว่าให้ ให้เราเนี่ยได้เข้าถึงประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยนะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็กําจัดออกไปส่วนธรมมังสรารนังขะฉ า, ามิเนี่ยนะพระธรรมชื่อว่าสาระเพราะว่าคําว่าพระธรรมตรงนี้บ่งถึงอริยมรรคเพราะนันอริยมรรคเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดเข้าถึงก็ข้ามกันดารคือพบคําว่ากันดาร น, นี่มันคือค่าเป็นคําที่แห้งแรงอ่ะนะ ว่ากันดานทั่วไปก็กันแห้งแรงนะถ้ากันดานคือทะเลทรายมันก็แห้งแรงแต่กันดานเนี่ยคือทางกันดานมันมันทุกข์มันยากนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีพระธรรมเป็นสารณะโดยเฉพาะเข้าถึงอริยมรรคการที่จะปฏิสนธิในอบายเป็นต้นก็ไม่มีเนี่ยนะแล้วก็สัตว์เหล่านั้นก็จะโปร่งใจเป็นอย่างยิ่งโล่งใจจริงๆ ส่วนพระสงฆ์เนี่ยนะที่ชื่อว่าเป็นสารณะเพราะว่าทำสการะแม้น้อยให้กลับได้ผลอันไพยบูรณ์เนี่ยนะเช่นถ้าเราไปให้ทานกับพระสงฆ์เนี่ยนะที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบูชาท่านเพราะว่า ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมควรแก่การบูชาควรแก่การรับทานเป็นต้นดันั้นถ้าหากว่าไปสักการะไปกราบไปไหว้ไปให้ทานเนี่ยนะแม้เล็กน้อยก็ให้ผลมหาศาลมั้งนั่นนี่คือคุณธรรมของพระสงฆ์เนี่ยนะพอจะสรุปว่าการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเพื่อพระองค์ไี้กําจัดภัยให้เราแล้วก็ให้เราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เข้าถึงประโยชน์ ถึงพระธรรมเป็นสารณะเพราะว่าพระธรรมเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากภพกันดานเนี่ยนะให้ให้ถึงความโปร่งใจถึงพระสงค์เป็นสารณะในฐานะท่านเป็นนาบุญของเราเนี่ยนะอันนี้ลักษณะของคําว่าสารณะถ้าการถึงสารณะการถึงสารณะก็คือจิตุบาทนะความเกิดขึ้นของมหากุสลจิตมา มหากรุสุลจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นและความเคารพในพระรัตนตรัยนั้นกําจัดทําลายกิเลสเสียได้เป็นไปโดยอาการคือความมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะก็คือจิตเนี่ยนะจิตที่มีพระรัตนตรัยเนี่ยนะจิตอันนั้นที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่ทําลายบาปอกุศลออกไปแล้วจิตลักษณะ น, นี้เป็นจิตที่น้อมรับหรือเป็นจิตที่ยอมรับ ให้พระผู้มีพระภาคเป็นต้นเนี่ยนะนำหน้าไปว่า ง, งั้นเถอะให้ท่านไปในเบื้องหน้าเลยว่า ง, งั้นคําว่าเบื้องหน้าก็คือทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะกรรมทั้งสามที่จะดําเนินไปเป็นไปเนี่ยมีพระธนตรายนําหน้าไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงพระธนตรายในลักษณะนี้ก็ต้องทรงจําคําสอนให้ได้เวลาจะทําอะไรสักอย่างว่าเออเป็นไปตามคําสอนใดไหมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่ายอมรับในลักษณะนั้นแหละเรียกว่ามีพระพธนตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า การถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้เนี่ยนะบางท่านก็มีผู้อื่นเป็นปัจใจัยใช่ไหมได้รับการแนะนำได้รับการชักชวนบางท่านก็ไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยเลยไม่ต้องได้รับการชักชวนเนี่นะเพราะว่าการถึงพระรัตนตรัยบางคนก็เป็นอสังขาริกเนี่ยนะบางคนก็เป็นสังขาริกบางคนก็มีการชักชวนบางคนก็ไม่มีการชักชวนจิตที่ถึงพระรัตนตรัยแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าสารณคมเนี่ยนะ การถึงสารณะนี่นะส่วนสัตว์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจิตตุบาทนั้นะตอนต้นเนี่ยหมายถึงสภาพจิตก่อนจิตที่ถึงพระรัตนตรายทีนี้หมายถึงว่าใครละ่ะคือผู้ถึงพระรัตนตรายก็คือสัตว์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจิตชนิดนั้นนะนะจิตตุบาทนั้นจิตที่เลื่อมใสนะจิตที่เคารพอ่ะจิตที่มีพระรัตนตรายเป็นที่เบื้องหน้าใครที่มีจิตแบบนั้นย่อมถึงพระรัต น, นตรายนั้นเป็นสารณะ อธิบายอย่างนี้ว่านี้เป็นสารณะของข้าพเจ้านี้เป็นเครื่องนำหน้าของข้าพเจ้าบอกงั้นคนที่ที่คิดแบบนี้คนที่มีความคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้นี่แหละเรียกว่าคนถึงสารณะเนี่ยนะคนมีพร ะ, ะรัตน์ตายเป็นเป็นสารณะให้พระรัตนะตรายนำหน้าไป ก็บุคคลเมื่อจะเข้าถึงนะทีนี้มาพูดถึงวิธีถึงไตราสารณคมว่าคนที่จะเข้าถึงสารนคมเนี่ยนะอาจจะเข้าถึงด้วยวิธีการสมท า, านก็ได้เหมือนอย่างนายพระพาณิชคือพ่อค้าสองคนเนี่ยนะชื่อว่าตปุษาและภาลิกะเป็นต้นเนี่ยเขาสมาทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระธรรมเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดทรงจำข่าพราะองค์ทั้งสองนั้นว่าเป็นอุบาสกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงไตรสรณคมด้วยการสมท า, านก็ได้อันนี้พูดถึงแบบสมท า, านเนี่ยนะถ้าของเราเนี่ยนะพูดทางสารนนข้ชมมิที่ว่าไปก็คือลักษณะของการสมท า, านนั่นเองเนี่ยนะสมาทานขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเลยนะ เป็นเครื่องกำจัดภัยให้เราทั้งหมดเลยนะเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนำหน้าไปอันนี้เป็นวิธีการถึงสารณาคมอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือยอมตัวเป็นสิทธิ์ของพระรัตนตรยัยเหมือนอย่างท่านพระมหากระสปะเนี่ยนะท่านพระมหากระสปะเป็นต้นเนี่ยท่านยอมตัวเป็นสิทธิ์เลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดา ข, ของข้าพระองค์ ข้าพระ อ, องค์เป็นสาวกเหมือนกันท่านเป็นผู้สอนข้าพเจ้าเป็นผู้ฟังเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นเป็นาศาสดาเนี่ยนะยอมรับพระพุทธเจ้าในฐานะาศาสด า, สาศาสดานี้คือผู้สอนผู้สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนั้นข้าพระองค์ขอฟังประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งจากจากพระองค์เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเขบอกว่าด้วยวิธีทุ่มตัวไปในพระรัตนตรัยเนี่ยนะ ไอ้คำว่าทุ่มตัวไปเนี่ถ้าที่อื่นท่านใช้คําว่าตับปรายณนะคือนอบน้อมอแต่ตรงนี้ท่านใช้คําว่าตับโปนัตเตณนะเนี่ยนะแล้เลยแปลว่าทุ่มตัวแต่ที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่าที่อื่นใช้คําว่าปนิปะตะคือการนอบน้อมอย่างยิ่งนะเหมือนอย่างที่พระพรหมายุพราหมณ์กล่าวไว้อย่างในพรหมายุสูตรว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้พรหมายุพราหมณ์ ก็ลุกขึ้นจากอาสนะก็ทำผ้าห่มเฉวียงบาประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่เนี่นะเปล่งอุทานสามครั้งว่านะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนี่นะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นเนี่ยนะวิธีการเต่งวาจาแบบนี้ก็เชื่อว่าเป็นการาถึงสารณคมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเขาทําด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนะตรายจริงๆจิตที่คิดจะเอาพระรัตนะตรายอย่างนี้นําหน้าจริงๆอ่ะนะผู้ที่ตั้งณโมทุกครั้งก็เชื่อว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการถึงตรายสาระคมเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าปณิปาตะด้วยการนอบน้อมนั่นเอง อีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะในการถึงไตรสนธ์คมก็คือวิธีมอบตนเรียกว่าเป็นลักษณะมอบกายถวายชีวิตว่าเหมือนกับโยคีที่ไปปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะคนที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะสมาทานว่าอิมาหังพระวาอัตตภาวังตมหากรังปริจจชะมิข่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่พระองค์เหมือนกันเถอะเหมือนกับว่าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระองค์นะเหมือนกับผู้ที่เขา ไปสมทานกรรมฐานที่เขาจะปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังเลยนะตามแนววิสุทธิมรรคเนี่ยนะก็คือมอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายตัวแด่พระพุทธเจ้านั่นเองเพรา ะ, ะนั้นการที่มอบกายถวายชีวิตในลักษณะนี้ก็เชื่อว่าสารณาคมอีกอย่างหนึ่งหรือวิธีอย่างหนึ่งในการถึงตจสารณาคมก็ถ้าแบบพารยะบุคคลน่นะก็โดยวิสัยและโดยกิจ เป็นได้หลายวิธีเช่นวิธีกำจัดอุปกิเลตด้วยการถึงตรสรณคมเหมือนอย่างพระอริยะบุคคลทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายเมื่อท่านฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลเนี่ยนะขณะที่บรรลุมรรคผลก็ชื่อว่าถึงสาระเหมือนกันนี่ไนงะโดยวิสัยก็คือโดยอารมณ์อารมณ์ก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยกิจก็คือกิจในการทําลายกิเลสเป็นต้นนั่นเองดังนั้นในขณะที่บรรลุมรรคผลก็ชื่อว่ามีพระัตนตรายเป็น สารณะจริงๆเลยหรืออีกวิธีหนึ่งในการถึงสารณะนี่นะเหมือนกับอรหะะกยักษ์เขาบอกว่าเค้านี้เขาถึงสารณะแบบมีพระตนะตรัยเนี่ยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะว่าอย่างเขาบอกว่าข้าพเจ้านี่จะออกจากบ้านไปสู่บ้านนะออกจากเมืองสู่เมืองเที่ยวนะมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความที่พระธรรมเนี่ยเป็นธรรมดีเพราะฉะนั้นเขาจะไปไหนก็ตามเขาตั้งใจจะไปเพื่อกราบน้ำมาศการพระรัตนตรัยแบบนั้นแหละจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองจากป่าสู่ป่าจากภูเขาลูกนี้ไปภูเขาลูกนู้นก็ไปทําไมไปนมัสการพระรัตนตรัยแบบนั้นไปนอบนอบไปเคารพไปปฏิบัติตามลักษณะนี้ก็ชื่อว่าวิธีการถึงไตรสรณคมอีกอย่างหนึ่ง แต่ในยุคทุกวันนี้ก็นิยมใช้วิธีที่ว่าผู้ทางสรนังขะฉามิเนะ่แบบสมาทานเอานะั้นทีนี้ไอการสมาทานเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็สะสังขาริกเข้าผ้าว่าก็ว่าเข้าไปแต่สะสังขาริกก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้ามีปัญญาประกอบทําด้วยความรู้ความเข้าใจก็มีผลมากมีอนิสงส์มากเหมือนกันทีนี้เมื่อถึงสรณ ะ, ะแบบอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะสรณ ะ, ะจะขาดได้อย่างไรจะขาดจาก การถึงสารณะอย่างนี้อย่างไรการขาดนี่มีสองอย่างเนี่ยนะเมื่อสมาทานถึงสารณะแบบนี้นี่นะก็ขาดเพราะการตายกับขาดเพราะหันหน้าไปนับถือาศาสดาอื่นเนี่ยนะมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยน ะ, ะถ้าลักษณะนี้ก็ถือว่าขาดจากสารณะแล้วนะส่วน ขาดจากสารณะเพราะตายเนี่ยนะอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระพิสุท์ทั้งหลายที่ตายไปเนี่ยนะขณะที่ตายไปก็ชื่อว่าสารณะ น, นี่ขาดแล้วขณะนั้นพอสารณะขาดอย่างเงี้ยขาดแบบนั้นไม่มีโทษอะไรส่วนหันหน้าไปนับถือาศาสดาอื่นหรือว่าประพฤติผิดในาศาสดา น, น, นั้นเนี่ยนะอันนี้มีโทษละแต่ว่าสารณะของปุถุชนเนี่ยนะจึงเศร้าหมองหรือไอ้ที่ขาดขาด ปุตตชนเท่านั้นแหละที่ขาดจากสารณะส่วนพระรยะท่านไม่ขาดอยู่แล้วถึงในภพไหนท่านก็ไม่ขาดจากสารณะแต่ปุตุชนเนี่ยขาดจากสารณะได้แล้วสารณะของปุตุชนก็เศร้ามองได้ด้วยถามว่าสารณะของปุตุชนทำไมจึงเศร้ามองเพราะไม่รู้คือไม่รู้คุณของพระตานะตรัยเนี่ยนะขณะไหนที่ไม่รู้คุณของพระตนะตรยเนี่ยนะสารณะของเราขณะนั้นก็เศร้ามองแล้วหรือ สงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยพระองค์เป็นอรหันต์จริงๆหรือนะคำสอนของพระองค์ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ดีจริงหรือหรือว่าศีกขาของพระองค์ที่พระองค์ตรัสไว้นี่นะทำให้ผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ได้จริงหรือถ้าสงสัยในลักษณะนั้นก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากหรือว่าขณะที่สงสัยสาระของเขาก็เศร้ามองหรือว่าเขารู้ผิด คือเขาเข้าใจผิดต่อพระรัตนตรัยเนี่ยนะเข้าใจผิดในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นอันนี้ก็เศร้าหมองเหมือนกันหรือเขาประพฤติไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้นในพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้สาร ะ, ะของเขาก็เศร้าหมองเช่นทําว่าไม่เอื้อเฟื้อก็คือขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าเช่นไปในพระเจดีย์เป็นต้นก็ไม่แสดงกิริยาอาการที่เคารพเนี่ยนะชื่อว่าไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้า ทำไม่เคารพในพระธรรมก็คือการฟังด้วยความที่ไม่เคารพไม่เคารพในพระสงค์ก็คือสู่ที่ประชุมสงฆ์เป็นต้นก็ไม่เคารพนี่ก็ไม่เอื้อเฟื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อลักษณะนั้นก็สารณะของเขาในขณะนั้นก็เศร้าหมองไปก็เหมือนกับได้ผ้าดีมาแล้วก็มันสกปรกนะส่วนพระ arya บุคคลหามีสารณะที่ขาดไม่เพราะท่านไม่ขาดสารณะอยู่แล้วและหามีความเศร้าหมองไม่ไม่เศร้าหมองเลยนะ เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูการพิสูจทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิคือสัมมาทิฐิระดับโสดาปันติมักไปแล้วเนี่ยนะจะพึงนับถือศาสดาอื่นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้นะฮะที่พระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะหันหน้าไปนับถือศาสนาอื่นหรือว่าจะเข้าใจผิดในคําสอนส่วนพวกปุถุชน ยังไม่ถึงการขาดในสาระตราบใดตราบนั้นก็ชื่อว่ายังเป็นผู้มีสาระไม่ขาดเนี่ยนะคือยังยังไม่หันไปนับถือว่าคนอื่นดีกว่าพระพุทธเจ้าสาระเขาก็ยังไม่ขาดแต่ถ้าเขาถือว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะเป็นผู้วิเศษกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่สาระเขาก็ขาดแล้วเนี่ยนะ การขาดสารณะของปุถุชนเหล่านั้นย่อมมีโทษมีความเศร้าหมองและอานวยผลที่ไม่น่าปรารถน า, านะการขาดสารณะที่ไม่มีโทษไม่มีผลเพราะหาวิบากไม่ได้ถ้าจุติจิตเกิดเนี่ยนะก็ขาดจากสารณะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโทษอะไรหรอก